ความในคัมภีคุตการนิกายพุทธวงศ์นีม่มาถึงกับนี้จนได้นะกับปัจจุบันนี้จนได้ก็คือเหตุการณ์ผ่านไปหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนาว่วาเวสภูดับขันตรีนิพพานกับนั้นก็อันตรธานสูญสิ้นหมดสิ้นไปโลกว่างจากพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นยี่กับ น, นะระหว่างนั้นะกลับที่หนึ่ง 6, 7, 8, ส10สี่ห้าเจ็ดปดถึง 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2ย 28, 2ิบกลับศูนย์เปล่าจากพรารตนาตรายัยไม่มีพระพุทธเจ้าเลย น, นะคำว่าพุทโธนี้ระหว่างนี้ไม่ได้ยินเลยมีอยู่บ้างคือพระปัจเจก พ, พุทธเจ้าเท่านั้นมีบ้างแต่ไม่ได้หนานแน่นไม่ได้มีเยอะเหมนคำว่าพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคาว่าอริยสัจจะไม่ได้ยิน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 มันก็จะไม่ได้อะไรเลยเพราะนั้นการที่เราศึกษาพระพุทธศาสนาก็พยายามที่จะทรงจำระลึกถึงพระธรรมคำสอนโดยเฉพาะอริยสัจเนี่ยนะอริยสัจนั้นคือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญมากที่เราจะต้องกำหนดจดจำหรือว่าอย่างธรรมจั ก, กปรปวัตนะสูตรอธิตะปริยยสูตรอนาตะลักขณะสูตร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 แล้วก็ถ้าอย่างนั้นก็ความเจริญก็จะเจริญยิ่งๆขึ้นไปแต่ถ้าหากว่าความรู้ความเห็นความนึกคิดของเราเนี่ยขัดกับคําสอนอยู่เสมอขัดต่อธรรมจักขัดต่ออธิตตาเรยสูตรขัดต่ออนัตตลักษณะสูตรขัดต่อโลกานิโรธสูตรเป็นต้นยากที่เราจะเจริญงอกงามในศาสนาเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ถือยึดเอาหลักคําสอนเหล่านี้เป็นที่มั่งเป็นที่มั่น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 ถ้าอย่างนั้นก็สามารถที่จะทําที่สุดแห่งทุกได้อย่ลืมว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกก็เพื่อมาบอกมาแนะนํามาเปิดมาเปิดเผยประกาศหนทางให้รู้ว่าข้อปฏิบัติธรรมข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อยังมานให้หลงนั้นทําอย่างไรปฏิบัติอย่างไรจึงจะสิ้นทุก์นั่นเองแต่ถ้าหากว่าเราได้สะสมอัธยาศัยเหล่านี้เอาไว้แล้วเนี่ยนะถึงยังท่อง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 อัธยาศัยในองค์มรรคแปดให้ดีๆมีอัธยาศัยที่จะเจริญตามอริยมรรคแต่ละองค์แต่ละองค์แล้วก็เจริญให้ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะสักวันหนึ่งก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้ น, นะนะนี้มาขึ้นต้นกับนี้เลยนะกับนี้ถ้าจริงถ้าพูดถึงกับนี้เลยนะทั้งการเรก่มแรก เ, เริ่มเดิมทีคนที่อยู่อะไรนะต้นกําเนิดกับเนี่ยนะต้นยุคกําเนิดกับหรือว่าพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ย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 หรือไม่หลุดจักรวาลไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบเนี่ยนะหรือว่าไปเป็นแบบอะไรพวกมัวแต่มัวแต่ทำ ม, มาหากินก้มดูดินอยู่นั่นแหละเลยไม่ได้เงยดูหน้าพระพุทธเจ้าเพมันยากที่บุคคลจะได้เข้าเฝ้ามันคนทุศีนทั้งหลายก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ยากสมัยพุทธกาลนั้นถ้าหากว่าพระพิสุรูปใดรูปหนึ่งมีข้อปฏิบัติที่กินแหนงแคลงใจยอยู่โดยมากเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ นะมันรู้สึกว่ามันไม่ยอมเข้าเฝ้าเลยนะละอายใจมากเมือนกับใครแต่งตัวไม่เสร็จไม่อยากเดินเฉียวหน้าไปใกล้กระจกฉะนั้นเนี่ยนะแต่งตัวไม่เสร็จจะไม่นุ่งผ้าอะไรก็ไม่เรียบร้อยเห็นกระจกสายมองเห็นตัวเองทุกด้านหมดเลยเนี่ยนะนะอยากจะเดินผ่านไปแถวนั้นไม่บอกก็ยากเพราะอะไรพระพุทธเจ้าก็ฉนั้นพระองค์รอบรู้สรรพสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะมันบุคคลถ้าหากว่าไม่ไม่มีความจริงใจไม่มีความสุดจริตใจ จริงๆแล้วยากที่จะเข้าเฝ้าพระองค์ได้หรือไม่มีอุปนิสัยไม่มีอัธยาศัยที่จะบรรลุมักผลก็ยากที่จะเข้าเฝ้าได้ถึงมีอัธยาศัยก็ต้องการันยูรู้การว่าจะเข้าเฝ้าพระองค์เวลาไหนจึงจะเหมาะสมเนี่ยนะเพราะพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับการันยูศาสนาให้ความสำคัญหลายอย่างนึ่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 เอาเวลาก็มีนี่ยบอ ก, ก็ใจมันก็ไม่อยากเข้าเฝ้าอีกนั่นแหละต่อไปบอกว่าพระองค์เนี่ยทรงเพิกถอนพบทั้งปวงคําว่าเพิกเพิกพบเนี่ยก็คือเพิกพบขึ้นชื่อว่าพบต่อด้วยอะไรชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาถ้าจะเพิกไม่ให้มีพบชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกโทมานัตอุปายาถอนอะไรถอนรากแห่งพบคือตัณหา ตันหาเป็นตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานถ้าถอนตันหาและอุปาทานก็ชื่อว่าเป็นอันถอนพบเมื่อถอนพบก็เป็นอันถอนชาติเมื่อถอนชาติชารามรณะโศกะปริเทวะทุกตโตมณตและอุปายาก็ถูกเพิกถูกถอนโดยสิ้นเชิงที่นี้ถามว่าแม้ตันหามันจะเพิกกันได้ง่ายๆหรือบอกไม่ง่ายถ้าไม่ถึงฝั่งยากที่จะเพิกตันหา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 ไม่เที่ยงเมื่อสุขหมดไปอะไรตามมาทุก็ตามมาพระพุทธเจ้าตรัสว่าสุขเล็กน้อยทุกอันหาประมาณไม่ได้ น, น, นะเขาบอกว่าความสุขเช่นกับ น, นะเาเรียกเช่นกับอะไรฟ้าแลบแต่ความทุกข์เหมือนกับคืนเดือนมืดทั้งคืนนะความสุขอาจจะมีบ้างครั้งคราวชั่วฟ้าแลบแต่ที่เหลือก็ทุกทั้งนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราจากความสุขเช่นการมาสุขเป็นต้นรอ ม่พระองค์ไม่ต้องการตัดความสุขหรอกแต่พระองค์ต้องการให้ได้รับความสุขมากกว่านนต้องการให้รับความสุขมากกว่าถ้าเธอออกจากกามสุขเธอไปบริโภคเนคขมสุขเธอจะมีสุขยิ่งกว่าเป็นสุขที่ไม่มีโทษในปัจจุบันไม่เป็นสุขที่ไม่มีโทษในสัมปร이าภพต้องการให้ได้รับความสุขที่ดีกว่าประนีกว่าประเสริฐกว่านั่นเองผลจึงให้ละสุขเล็กน้อยนี้เสียเพื่อไปเอาสุข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 ให้ทานจนครบถ้วนเต็มบริบูรณ์จึงเป็นพระพุทธเจ้าได้รักษาศีลจนเต็มบริบูรณ์เจริญเนคข ม, มะจนเต็มบริบูรณ์เจริญปัญญาวิรยิยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบขาบารมีสิบอุ บ, บ, าบ ป, าปารมีสิบปรามัฏฐบารมีสิบมหาบริจาคห้าเป็นต้นเนี่ยจะต้องเต็มบริบูรณ์ฉนั้นพระองค์นั้นจึงเพิกถอนพบถึงฝั่งพระองค์ก็ทําลายกรงคือพบ เหมือนราชสีทําลายกรงเช่นนั้นบอกว่าในความรู้สึกของพระโยคาวจรที่เจริญวิปัสนาชั้นสูงมองเห็นอารมณ์6ในทวารหนะมองเห็นรูปารมณ์ทวารตา ม, มองเห็นศัตธารมณ์ทวารหูมองอรู้คันธารมณ์ทวารจมูกรู้ระสารมณ์ทวารลิ้นรู้โพธพารม์ทวารกายนึกคิดอารมณ์ทั้งหในทวารใจท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันก็คือคุกชัดๆมันก็คือ มันก็คือคุกที่ขังมีแต่ความอึดอัดมีแต่ความคับแคบถ้าไม่เห็นใจจะคับแคบไหมไม่คับแคบถ้าไม่ยินใจจะคับแคบไหมถ้าไม่มีทวารหกเลยใจจะคับแคบไหมนั้นก็บอกว่าท่านก็มองเห็นว่าพบเหล่านี้เหมือนกับกรงเนี่ยนะขังเอาไว้เนี่ยนะแล้วก็ถูกลงโทษ ด, ด้วยชาติชรามรณะโสกกะปริเทวะทุกโทมณตและอุปาญาตอาศัยสมถะและวิปัสนาทําลาย ที่ทำลายกรงเนี่ยนะทำลายตัวที่เป็นโซ่เป็นที่คุ้มขังเอาไว้ในวะตฏะทำลายพระองค์ก็บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดเนี่ยนะก็รายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องอาณาปานาสติอนะอาณ า, า, าปานาสติแล้วก็ได้ฌานสี่ปุเพนิวาสานุสติญาณในปฐมยามจุดตัวปปาตญาณในมัชิมยามปัชชิมยามก็ อาสวัคยายานพร้อมกับรุ่รงอรุณขึ้นมาอารหัตมรรคัยยานสัพพัญยุตยานเป็นต้นก็เกิดขึ้นสําเร็จเกิจในความเป็นพระพุทธเจ้าก็บรรลุโพธิยานอันสูงสุดนะขณะที่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามต่างๆจะตามม า, านะพระองค์ก่อนหน้านั้นจะไม่เรียกพระองค์ว่าเป็นพระอรหันต์เลย เรียกพระองค์ว่าเป็นพระอรหันต์ตอนที่ตรัสรู้แล้วว่าเป็นพระอรหันต์เรียกว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตอนที่เป็นพระอรหันต์ตอนที่เรียกว่าผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะก็ต่อเมื่อพระองค์เป็นพระอรหันต์เรียกว่าพระองค์ผู้เสำร็จไปดีแล้วก็หลังจากที่พระองค์สําเร็จเป็นพระอรหันต์เรียกว่าพระองค์ผู้รู้แจ้งโลกโลกวิถูก็เมื่อพระองค์เป็นพระอรหันต์หลังจากอรหัตผลเกิดขึ้น ทำให้แจ้งอรหัตผลในลำดับอรหัตมักพระนามต่างๆก็ตามมาเช่นอรหังสัมมาสัมพุทโธ ว, วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารถิสาถาเทวมนุสานังพุทโธพะควาหรือว่าพระตถาคตหรือว่า พระนามว่ามหาวีระเจ้าพระโลกกนาตพระนามทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะเช่นพัทสพลนพระผู้ทรงวิชาสามพระผู้มีปฏิสัมพิทาสีพระผู้มีอภิญญาหกพระนามทั้งหลายเหล่านี้ก็หลังจากที่ตรัสรู้ก็ถือว่าเป็นผู้ทรงคุณธรรมในความเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างพระราชาได้รับอภิเสกแต่นี้พระองค์อภิเสกโดยธรรมเรียกว่าอภิเสกโดยสัจจาพิเศษ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 หลายแสนหลายโกดล้านล้านล้านตีนานมามากแล้วมีพระพุทธเจ้าพระนามว่ากากุสันทะเกิดขึ้นเมื่อพระกากุสันทะพุทธเจ้าผู้นำโลกทรงประกาศพระธรรมจักอภิสมัยครั้งที่หนึ่งก็ได้มีแกศัตริ์สี่หมืโกธเนี่ยนะหมายค่าว่ารวมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยประมาณสี่ 0,000 ื่นโกดพระกกุสันทะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์ทำยมกะปาติหานะพื้นนะภากาศ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 เองหรือว่าน้อมไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะให้มากๆก็จะเป็นบุญเป็นวาสนาให้เราตรัสรู้อย่างสูตรนี่บอกว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่ากากุสันท่าเนี่ยนะแสดงธรรมจักรบรรลุ4ี่0 0ื่นโกดเมื่อกี้เราก็สาธยายธรรมจักรสแสดงว่าถ้าสาธยายเข้าใจดีๆเนี่ยมีอุปนิสัยได้ตรัสรู้ต่อไปในอนาคตนะเมื่อไรอีกเรื่องหนึ่งนะ เพราะว่าบรรลุมันต้องอินทรี่ห้าก็มาไล่เช็คดูว่าศรัทธาในโสตาปฏิยังฆะทำดีไหมวิริยะใน ว, วิริยินรีย์ในสัมมาประธานสีดีไหมสตินรีย์ในสติประฐานสีดีไหมสมาธินรีในอุปจาระอปปนาสมาธิรวมทั้งฌานสีเนี่ยเป็นยังไงบ้างปัญญปัญญินสีในอริยสัจ ท, ที่มีกรรมสกตาเป็นบาสนี่ดีขนาดไหนก็มาเช็คดูใกล้หรือ ย, ยังนะถ้ายังก็สวดไปก่อน ถ้าทำอะไรได้นะ้ไม่สวดก็เพอ้อเจออีกแล้วยังไงก็ยังไงยังไงก็ให้เป็นบุญเป็นกุศลเถอะตามเริญพุทธานุสติต่อไปอหลังจากที่พระองค์ประกาศสัจจะสี่แกนรเทวยักษนะแสดงธรรมให้ยักษ์ฟังเนะี่ยก็มีธรรมมาพภิสมัยอภิสมัยโดยทั่วไปแปลว่าการตรัสรู้ธรรมเนะีนะ่ยธรรมะหมายถึงสัจจะอภิสมัยก็การตรัสรู้สัจธรรมสี่ ก็มีแกสัตว์นับจำนวนไม่ท้วนนะบรรลุตามมากมายหลังจากที่ประกาศอริยสัต์ให้แก่นรเทวยักษฟังพระผู้มีพระภาคเจ้ากะกูสันทะทรงมีสันนิบาตการประชุมพระสาวกขีนาศพผู้ไร้มนทินมีจิตสงบคงที่ครั้งเดียวเท่านั้นนะเหมือนพระพุทธเจ้าของเรานะพระองค์ก็มีสาวกสันนิบาตครั้งเดียวครั้งนั้นเป็นสันนิบาตประชุม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 คลายกำหนักเรียกว่าฝึกด้วยสมถะและวิปัสสนาเสร็จสิ้นแล้วเพราะสิ้นหมู่กิเลสมีอาสวะเป็นต้นภาค ข, ข, ขีนาศพทั้งหลายผู้สิ้นอาสวะเนี่ยนะก็คื อ, อทําบอกว่าโอ้ยสิ้นกิเลสเนี่ยนะบอกแมเสียดายจังเลยไงนะบอกว่าขจัดความเศร้ามองออกไปเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะไม่มีความเศร้ามองความขุณมองความหม่นมัวความเจ็บปวด ร, ร้าร้อนเหล่าใดาที่เกิดจากหมู่กิเลส ผ้าอาหารทั้งนั้นเหล่านั้นก็ละได้เสร็จสิ้นแล้วคิดว่าเลิกอักเสบทางความคิดสักทีหนึ่งนะมันไม่งั้นเนี่ยถ้าโใจของคนมีกิเลสเนี่ยเป็นใจที่อักเสบทางความคิดระคายเคืองอยู่ตลอดเวลารับเรื่องนิดหน่อยก็เคืองเห็นว่ารับเรื่องนั้นหน่อยก็เคืองรับเรื่องนี้ก็ไม่สบายใจพวกนี้อักเสบทางความคิดมากนั้นต้องเจริญอริยมรรคเนี่ยนะเป็นยาคิดว่าปฏิชีวนะชันดีรักษายาเอ่อรักษาอักเสบทางความคิดเนี่ยนะก็เลิกอักเสบทางความคิดเลยคันเนี่ย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 แลก็แม้กว่าจ ะ, ะแต่พระอรหันต์ท่านบริโภคธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าหายจากโรคภัยอันตรายโดยประการทั้งปวงจริงอยู่หลายคนบอกแม้กิเลนนี่เลวร้ายเหลือเกินวัด ต, ตานี่โหดเหี้ยมเหลือเกินแต่ไม่ยอมกินยาคือมรค8ดยังไงก็ไม่ไม่หายเนี่ยนะมันจะต้องปฏิบัติเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์จึงจะพ้นไปจากทุกข์ได้